เวลารู้สึกตัวความเป็นตัวตนจะหายไปวงเล็บเปิด1มกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที19วงเล็บปิดให้หัดรู้สภาวะที่จิตเผลอไปต่อไปพอจิตเผลอแวบสติกเกิดเองเลยแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นได้ชั่วขณะนะแล้วก็เผลอใหม่รู้สึกใหม่เผลอใหม่ไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลานะ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 ฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีสติตลอดเวลาเรามีสติขึ้นมาแล้วก็เผลอไปมีสติขึ้นมาแล้วก็เผลอไปอันนั้นดีที่สุดแล้วเพราะเราเป็นได้แค่นั้นการที่เรามีสติขึ้นมาแล้วก็เผลอมีสติขึ้นมาแล้วเผลอนี่มีข้อดีมากเลยการที่มีสติขึ้นมาหนึ่งครั้งเนี่ยมันได้ตัดชีวิตเราเป็นสองท่อนแล้วอย่างคนทั่ ว, วไปเผลวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับไม่เคยรู้สึกตัวเลยมันจะเผลอยู่อย่างนั้นทั้งวัน มันรู้สึกมีตัวเราอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอมีสติขึ้นหนึ่งแวบวันนี้เกิดมีสติหนึ่งครั้งชีวิตถูกตัดขาดเป็นสองท่อนแล้วมีเผลอสองอันรู้สึกตัวอยู่ตรงกลางอันหนึ่งฉะนั้นถ้าสติเกิดบ่อยเนี่ยชีวิตจะถูกตัดเป็นท่อนเล็กๆ เ, เป็นขณะที่เล็กลงเล็กลงนะเผลอแวบรู้สึกแวบรู้สึกพอรู้สึกได้แวบเดียวเดี๋ยวก็เผลอไปอีกแล้วแล้วก็รู้สึกอีก เนี่ยมันจะเห็นเลยจิตจะเผลอก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวก็สั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไม่ได้จิตทั้งที่เผลอทั้งที่รู้สึกตัวเกิดแล้วดับทั้งสิน้นฉะนั้นภาวนาไม่ใช่เอาจิตที่รู้สึกตัวนะถ้าภาวนาอยากได้จิตที่รู้สึกตัวคือภาวนาเอาดีไม่ได้ภาวนาเอาความจริงการมีสติสมาธิปัญญามีธรรมะอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเอง อาศัยเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกรู้สึกได้แวบเดียวก็เผลออีกแล้วเผลอแล้วรู้สึกเผลอแล้วรู้สึกนี้ชีวิตจะขาดเป็นท่อนๆเวลาเผลอก็เกิดความเป็นตัวตนขึ้นมาเวลารู้สึกขึ้นมาความเป็นตัวตนก็หายไปเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะมันจะค่อยๆละความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้ฉะนั้นเรามีสติแวบหนึ่งรู้สึกแวบหนึ่งรู้สึกนะแล้วก็หลงไปแค่นี้พอแล้วดังนั้นการปฏิบัติง่ายนะ ไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแค่ว่าหัดรู้สภาวะแล้วสติจะเกิดดีขึ้นดีขึ้นเองแต่เดิมสติเกิดยากวันหนึ่งเกิดครั้งหนึ่งก็บุญโขแล้วนะเพราะคนทั้งโลกไม่ค่อยเกิดสติไม่ค่อยมีสติทีนี้เราหัดทีแรก น, น, นานๆก็มีสติทีหนึ่งหัดไปนานๆ น, น, นะสติเกิดบ่อยคล้ายๆเราทํามาหากินต้นทุนเราน้อยนะสมมติเราหักเต้าห้วยขายได้กำไรวันหนึ่งไม่กี่บาท ต่อมารวยขึ้นมานะหากินง่ายนอนอยู่เฉยๆเงินก็ไหลเข้าบ้านแล้วการภาวนาก็เหมือนกันหัดทีแรกนานๆสติจะเกิดทีหนึ่งนะแต่พอจิตมันจําสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นชํานีิชํานาญมากขึ้นสติเกิดทั้งวันเลยไม่ได้เชิญให้เกิดเกิดทั้งคืนด้วยยกเว้นเวลาจิตลงภวังไปหลับจริงๆซึ่งไม่นานเท่าใดหรอกจะรู้สึกนอนอยู่นี่ร่างกายพลิกซ้ายพลิกขวาก็รู้สึกได้เองเลย ใจิตใจจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวคิดนึกอะไรมันรู้สึกได้เองเลยทั้งวันทั้งคืนมันต้องเป็นอัตโนมัติแล้วไม่เหนื่อยยากถ้ายังเหนื่อยยากอยู่ยังฝืนอยู่ยังฝืดอยู่นะแสดงว่ายังทําไม่เป็น